เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็ดบรรลุธรรมเป็นปกติของทุกต้นเดือนที่ฉันจะทบทวนและประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาฉันกลับไปอ่านทวนตั้งแต่เดือนแรกจนเดือนสุดท้ายอย่างละเอียดอยากเปรียบเทียบดูว่าตนเองผิดแผกแตกต่างเป็นก้าวหน้าหรือก้าวหลังประการใดเนื่องจากจิตบอกตัวเองว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกที เพราะอะไรถึงรู้สึกว่าใกล้ความจริงแน่นอนไม่ใช่ด้วยอาการหลงทึกทักให้ครื้มใจเล่นไม่ใช่เพราะมีพุทธนิมิตมาปรากฏและชมว่าปฏิบัติได้ก้าวหน้าดีแต่เพราะฉันสำรวจตนเองอยู่ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือหนึ่งในแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตสอบจากอริยสัจสี่คือเห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์ เห็นความจริงว่าที่ทุกข์เพราะมีเหตุคือความทยานอยากใหญ่น้อยเห็นความจริงว่าความระงับจากตัณหาทยานอยากคือความสงบจากทุกข์และเห็นตามจริงว่าวิธีระงับความอยากคือมักมีองค์แปดถ้าแค่ข้อแรกไม่ผ่านยังเห็นชีวิตเป็นสุขยังเห็นชีวิตเป็นความหน้าพิสมัยไม่ต้องหาทางตัดวงจรอุบาทก็เป็นอันว่า ย, ยังอ่านอริยสัจข้อแรกไม่ออก 2. ในแง่คุณสมบัติของจิตสอบจากมัสมีองแป8คือมีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบมีการกระทำชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีสติชอบและมีความตั้งมั่นชอบ 3. ในแง่าการเจริญสติเห็นภาวะเฉพาะหน้าสอบจากพชทชงเจ็ด คือมีสติรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายใจมีการพิจารณาเห็นสิ่งนั้นไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนมีวิริยะมีปีติมีปัจสทิมีความตั้งมั่นของจิตและมีความวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นนั้นถ้าแยกเป็นอย่างอย่างอาจดูคล้ายวุ่นวายฟั่นเฟือแต่ถ้าดูที่ผลสุดท้ายคือสภาพจิตในปัจจุบันเอาจากจิตขณะเดียวที่ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่น ปลอดโปรงจากความทยานอยากสะอาดปราศจากอากุศลธรรมครอบงำแม้ทางความคิดอย่างต่อเนื่องก็เทียบเคียงได้ครบทั้งสามเกณฑ์ข้างต้นแล้วเพราะลักษณะหรืออาการอันละเอียดอ่อนปลีกย่อยทั้งหลายย่อมปรากฏอยู่พร้อมในตัวเองว่ากันเฉพาะแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตเพียงเมื่อเข้าถึงอริยสัจข้อแรกคือเห็นกายใจนี้เป็นทุกข์ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆหลงเหลืออยู่อีก ต้องตัง้งนาตั้งตาฝ่าฟันเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเดียวแต่ฉันต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะรู้ความจริงชัดๆว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ต้องฝ่าด่านความมืดบอดความหลงผิดตลอดจนกระทั่งความหวงความห่วงความอ้อยอิงอาวร์ทั้งหลายจนอ่อนแรงไปหลายยกอริยสัจสี่จึงปรากฏต่อจิตแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆ หลังจากผ่านวันผ่านคืนโดยไม่ปล่อยให้ตกล่วงไปอย่างเปล่าประโยชน์ต้นเดือนที่เจ็ดนี้ฉันเกิดความสดใสอย่างประหลาดรู้สึกสบายอย่างพรนนาไม่ถูกการเข้าใจอริยศาสตร์แบบถึงจิตอันประกอบพร้อมอยู่ด้วยกระแสสบายนั้นทำให้ตระหนักอยู่อย่างหนึ่งคือการเห็นกายใจเป็นทุกข์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมีทุกขเวทนาไม่ได้แปลว่าต้องมีความอึดอัดระอากับการดำรงชีวิตตรงข้าม กลับปลอดโปร่งเป็นสุขอย่าบอกใครเหมือนคนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะปลดภาระจากบ่าทิ้งลงพื้นแม้ยังแบกหนักอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าอย่างไรก็ต้องตัวเบาจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและในทางกลับกันหากเข้าถึงความจริงอย่างทองแท้ว่าทุกข์คืออุปาทานขันห้าหรือกายใจอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนี้ทั้งแท้ง ก็จะตรหนักว่าแม้กำลังสวยสุขอันประณีตทางใจสุขนั้นก็เป็นเพียงเวทนาชนิดหนึ่งเวทนาไม่เที่ยงไม่มีใครรักษาสภาพของเวทนาให้คงทนจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นทุกข์เหมือนกันถ้าวันนี้เอาคนหล่อระดับประเทศคนรวยระดับข้ามชาติหรือคนเก่งระดับโลกมาตั้งตรงหน้าและถามล่อใจว่า ให้หล่อรวยเก่งแบบนี้จะเอาไหมฉันต้องดูดีๆก่อนว่าให้มีจิตแบบเขาหน้าเอาด้วยหรือเปล่าจิตเขาเริ่มประพฤติเพื่อพ้นจากความทุรนทุรายหรื อ, อยังถ้ายัางต่อให้มีดีขนาดไหนก็แค่ฆ่าธาตุความไม่รู้อีกรายหนึ่งฉันขอปฏิเสธความมีความเป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดเมื่อเดินมาตามทางสู่นิพพานไกลขึ้นทางแห่งทุกข์ก็สั้นลงเรื่อยๆ พิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะได้อย่างชัดเจนพอเห็นคนอื่นที่ยังไม่ทำทางไปนิพพานเสียทีตระหนักว่าพวกเขายังสะสมเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดก็เกิดอย่างไม่รู้อิโนอิเนตายก็ตายอย่างไม่รู้อิโนอิเนต้องลำบากลำบนใช้ชีวิตลองผิดลองถูกกันอย่างน่าเบื่อหน่ายก็รู้สึกเอื้อมระอาจุกอกแทบพูดไม่ออก แต่ไปบอกใครเขาให้มาตามทางนี้ง่ายๆได้เมื่อไหร่เขาหาว่าบ้าเท่านั้นมีอย่างเหรอจะให้ทิ้งวิถีชีวิตอันแวดล้อมด้วยเครื่องคราวแห่งกามาคุณอันเป็นยอดปรารถนามานั่งเดินภาวนามาใส่ใจลมหายใจกับอิริยาบแถแทนการคิดคำนวณหารายได้หรือคนรักเพิ่มให้มากๆสรุปล้าธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตนเลือกด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเอง รับผลด้วยตัวเองตามลำพังไม่มีใครทําแทนใครได้ต่อให้รักผูกพันนึกสงสารปรารถนาให้ได้ดีตามเราเพียงใดก็เถอะและเมื่อจิตของฉันสุขขุมขึ้นมองเห็นอะไรรอบยิ่งขึ้นเวลานี้ฉันยังอ่านออกด้วยว่าแม้ความไม่อยากเป็นปุถุชนไม่อยากท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดก็จัดเป็นความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันคืออยากไม่มีอยากไม่เป็น ฉันเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ก็ตอนที่ความอยากลดระดับลงมากแล้วเหลือเพียงแผ่วให้รู้เพียงน้อยเท่านั้นเพราะเมื่อใดเกิดความอยากพ้นภาวะปุถุชนก็เกิดความทราบชัดว่ามีอาการอึดอัดมีอาการเร่งรัดเวลาและมีอาการไม่สมใจพอเห็นอาการเหล่านี้แล้วทราบชัดว่ามันผุดจากความไม่มีอะไรแล้วหายไปในความไม่มีอะไรใจก็เห็นว่าความอยากเป็นแค่ของปลอมชั่วคราว ความว่างไม่มีตัวตนผู้อยากตังหากเป็นของจริงเมื่อหมดอยากและเห็นตามจริงย่อมรู้ว่าจิตขณะนี้ยังเป็นปุตุชนกับจิตในภายภาคหน้าที่ก้าวล่วงสู่ความเป็นอริยชนแล้วต่างก็เป็นจิตเหมือนกันไม่มีใครได้มรรคผลเหมือนกันแค่ตัณหากับอุปาทานไม่แรงเหมือนเก่าหรือตัณหากับอุปาทานดับศูนย์เท่านั้น แต่ถ้ายังอยากพ้นภาวะปุถุชนก็แปลว่ายังอนุ ญ, ญาตให้ความอยากครอบงำจิตเป็นเหตุแห่งอุปาทานเป็นต้นต่อแห่งทุกข์ไม่สอดคล้องกับการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงเลยสรุปคือต้นเดือนนี้ฉันมีความกระตือรือร้อนเต็มเปี่ยมที่จะรู้ที่จะดูที่จะพิจารณาายใจโดยความไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่เลี้ยงความอยากใดๆไว้เลย แม้กระทั่งความปรารถนามักผลอันเป็นแรงส่งให้ก้าวมาถึงขั้นนี้ก็ตาม